Book 2ตส <84. S 2> ี A ่นอดีตการสี่อตินอ่านดิฉันอ่านแล้วยายหอเล่ ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วย้ายหอเลสท์เฮล์เรมอนเข้าใจฟอร์สตดิฉันเข้าใจแล้วย g har f ฟ r s, <S t <st> å ต t ดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วย้ g har f อ r s t ต t ท h เ l ล t e ่ต์เ็ ตอบสบอรอดิฉันตอบแล้วยวอตดิฉันตอบคาถามทั้งหมดแล้วยัยหอสวอทุกดิฉันทราบแล้วดิฉันได้ทราบแล้วฉันรู้ฉันรู ดิฉันเขียนดิฉันได้เขียนแล้วยัยสครีปเตอร์ a ัยมีสครีปเ t อ e ์ดิฉันได้ยินดิฉันเคยได้ยินแล้วยมีหดิฉันกำลังไปรับดิฉันได้ไปรับแล้วยัยเห็นเต d ยหอดเห็นแต่ดิฉันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้วยา bringer ด้ยาย h a v brakte ดิฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้วยาย köper ด้ยา h a köpte ดิฉันคาดไว้ว่าดิฉันได้คาดไวแล้วว่า forventer ฉันอธิบายฉันได้อธิบายแล้วฉันรู้ฉันรู้แล้วฉ n t det.